วันนี้ไม่เอาสินกันแล้วนะคือสมมติว่ายาสุอรตายไปก็ไม่ต้องมีสินกันสักคนละเดนีคือเราคนคนเดียวไปสินไปของของใครของมันที่แฟนคือสินนี่นก็ต้องรอออกจากพระมันมี็มนขนมนมเลยอ เบอรเอาของให้กันได้คิดว่าให้กันได้ไม่สินพอเราที่ผ่านมาชีวิตของเราใช้แต่เป็นสัญญาก็คือความจํามันไม่มีปัญญากับสิ่งเหล่านี้เราก็จะเป็นตั้งอย่างนี้แหละคนไหนทําหน้าที่ไม่มาทําหน้าที่ก็ไม่ต้องมีสินมีธรรมกันและวันนี้ออกพรรษาแล้ว มางคนบอกเอกาภาษาลาพเจ้าคือลาพระพุทธเจ้าไม่รู้ไปลากันที่ไหนไปนลาพระพุทธเจ้าที่ไหนพระุทธเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วไปลาพระุทธเจ้าวพระช่างประดิษฐ์ปดอยคําภาษาสมัยใหม่เรียกว่าธักรรมแล้วก็จํากันมาอันนี้คืสัญญา เราก็าใช้สัญญาวกเ น, นี้ยช้ความจำคน น, ญญค น, นี้สุดท้ายความจํำคนนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยบุญคุณขางเราทุกคนโดยเฉพาะยิ่งคือคนที่เป็นชาววัดความจำจำเส้นยาวนานสามเดือนที่ผ่านมาไม่ต้องคิดอะไรมากโดยเฉพาะที่เราจําได้ก็เลยไปแล้วก็จําอะไรไม่ได้ความจําของคนมันไม่ยาว โอเคสามเดือนที่ผ่านมาสามเดือนก็คือเก้าสิบวันส่วนนี้เป็นวันพระจริงๆก็เดือนหนึ่งสี่วันสามสี่สิบสองก็คือสิบสองวันที่เราบอกเข้าภาษาสามเดือนถ้ามาเฉพาะวันพระสมมติว่ามาเฉพาะวันพระจริงก็สิบสองวันในสิบสองวันนั้นก็ไม่ได้แปลวันได้ยี่บสี่ชั่วโมง สิ่งที่เรได้จริงๆคือสิ่งที่เราปฏิบัติจริงๆเราตอบได้ไหมกี่ชั่วโมงถ้านับเป็นชั่วโมงวุฒิเหลือต้องทํามากินต้องประกอบอาชีพยอย่าอื่นวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงอยู่เป็นคนคือปฏิบัติจริงๆเพิ่มปริมาณกลางวันไม่ได้เอากลางคืนอย่างนี้ก็พอมีโอกาสเพิ่มเติมเยอะ นอยประ่เหลือก็ได้กันแค่นี้แหละประสงค์องค์เนนก็เหมือนกันพนสามเดือนเก้าสบวันไปแล้วก็นับปรรษากันได้อีกหนึ่งรรษาให้ทุกคนถามตัวเองว่าได้หนึ่งษาได้อะไรได้วันได้เดือนได้ปีได้ชั่วโมงผ่านไปจากาคารพุทธศุก นับเอาหลังจากนั้นไม่ได้นับหรือยังไงอันนี้เป็นข้อคิดที่เราไม่เคยเอามาคิดดังั้นอย่ากให้พวกเราดูคนที่เป็นต้นแบบดูคนที่เป็นตัวอย่างที่จะบอกว่าลาพุทธเจ้านั่นแหละคือว่าถ้าลาพุทธเจ้าแล้วไปอยู่ที่ไหนทีนี้เราเจอเจอท่านที่ไหนลาท่าี่ไหนท่านอนุญาตว่า ย, ยัางไง โอวาสานาพระเจ้านะลาไปไหนอะในเบลาเขียนว่ายังไงลาเจ็บลาป่วยลาไขา้ลาไปไหนลาไปเลี้ยงลูกลาไปทำอะไรมังนั้นที่เราทำทุกวันนะก็ต้นแบบหรือตัวอย่างที่เราอาจจะไม่ค่อยได้คิดที่เป็นภาษาเราง่ายๆ วัดชาวัเย็นเหมือนรวไปเมื่อกี้เนี่ยน่าฟังพุทธาธรรมสังขาคือการพาลานาคุณของพระพุทธเจา้าคือต้องเชิญชมผู้ร้องไราให้ชมเชยกล่าวถึงสนเสริญคุณของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างภรลานาไปอีบ่าธรรมเช้าวัดเย็นธรรมะก็ภลานาถึงพระธรรมพระสงค์กแค่นี้ จากแค่นั้นเรานึกถึงพอดีเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องสำคัญการแผ่เมตตาที่เราทํากันทุกวันเนี่ยก็อยากให้พวกเราทําทุกวันโดยหัวยิงคืนทำได้ทุกขนาดเป็นเรื่องทดีเมตตานั้นเมตตาตัวเองในเบื้องต้นก่อนเราก็เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เฉพาะจะจง เรืออัปมัญญาคือไม่มีประมาณเพราะว่าความเมตตาของคนของมนุษย์ก็จํากัดอีกไม่ได้มีเยอะเมตตาสัตวสัตว์ต่างหลายคุณทั่วไปไม่ได้แต่เมตตาจะได้เฉพาะของญาติที่น้องกนะเลน่ะมิตรคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวตอนนั้นไม่ได้ตัวนี้สัวสำคัญถ้าพูดภาษาเราง่ายๆคือนอกจากนั้นอาภัยให้ไม่ได้ คนแก้ตัวอาภัยได้อาภัยให้กันได้แต่คนนอกนั้นไม่ได้นี่คือความสำคัญว่าทำไมต้องมีความเมตตาไมต้องให้อาภัยซึ่งกันและกันในบรรดาการให้ทั้งหลายนอกจากการให้ธรรมะซึ่งเราประจําอยู่แล้วสิ่งที่เราควรจะฝึกอยู่เสมอก็คือให้อาภายัย ไม่ต้องใช้วัตถุดใดเลยไม่ได้สิ้นเปลือมงบประมาณบาทเดียวก็ไม่สิ้นเปลือนแต่เราก็ให้กันไม่ได้ทำกันไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่แปลกเราก็เป็นเน้นที่โอ่คนคนยากยากของมากมากเน้นทานศีลโดยพออยาะี่คือทานเน้นทานเยอะอันนี้คือข้อแตกต่างอันนี้คือข้อคิด นี้มาดูวิธีเมื่อเรานึกถึงคุณของพระเจ้าพรรณนาคุณของพระเจ้าแล้วอยากให้เป็นภาพลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เป็นภาพลักษณ์พูดง่ายๆคือพระจริยาวัตรคือปฏิปทาของพระองค์เป็นหลักต้องบอกแน่เป็นหลักว่าโรงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ภาษาเราไ ง, ไง่ายๆ พระองดํดำรงตนอย่างไรในชีวิตประจำวันคือใช้ชีวิตอย่างไรทำไมความแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับนักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ถ้าเป็นเชื่อถือได้ก็ต้องการทดสอบทดลองไม่คือวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าร้อยเปอร์ซนต์วไม่มี วิทยาศาสตร์ทดลองเอาตัวคนทำทดลองไหมไม่มีมีแต่เขาเอาคนอื่นมาทดลองนหนูษลองยาหนูตะเภาแมวกระตายเอาสัตว์อื่นเป็นตัวทดลองทดสอบก็อเอาชีวิตของคนอื่นเราพูดง่างยๆเนี่ยเป็นเอาตายจริงจะใช้กับมนุษย์อันนี้คือวิทยาศาสตร์ถามว่าร้อยเปอร์ซ็นใหม่ ในนั้นมาเทียบดูกับพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาสัตว์ทั้งหลายมาเป็นตัวทดลองทดสอบเพื่อได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นแต่พระ อ, องค์ใช้ตัวเองหรือพระ อ, องค์เองแหละทดสอบทดลองพระพุทธเจ้าของเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทดลองอย่างไรวิทยาศาสตร์เขาอาศัยเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมเช่น ยานะี้จะทดลองกับแมวกับหนูกับอะไรก็ให้มันกินแล้วก็สังเกตพฤติกรรมที่ยาการอะไรถึงจยเาไปใช้กับมนุษย์พระทธเจ้าของเรานั้นใช้วิธีสังเกตตัวเราเองคือสังเกตตาสังเกตหูสังเกตจมูกสังเกตปากสังเกตใจโดยพ้อยยี้คือใจซึ่งวิทยาศาสตร์มันไม่มี จิตใจหรือว่าจิตของตัวเองเน่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจนแสดงเป็นพฤติกรรมออกมาเริ่มต้นจากคิดคือความคิดจินตะือจิตตะคือความคิดอันนี้คิดอะไรคิดไปแล้วมันเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนคือใครผู้อื่นหรือตัวเอง ในพูะเจ้าสังเกตสังเกตดูตาตาเห็นรูปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตาเห็นโรคแล้วเกิดชอบไม่ชอบเฉยเฉยนสามอารมณ์ขนาดนั้นแล้วละจะอยู่กับสิ่งที่เราชอบอย่างไรอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างไรทํำไงที่วางใจมันเฉยเฉยคือเป็นกลางได้นี่คือพระพุทธเจ้านะ โอ้โหกบฏกันในลักษณะเดียวกันมันเป็นตัวตั้งว่าโอ้ลับมาแล้วรับเสียงมาแล้วอาที่ขมันคือรับเสียงเสียงนั้นพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบมันก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาตามนั้นปากตอนนี้พวกเราก็เก็บเงียบตอนนี้ไม่มีอะไรเห็นไหมลองสังเกต ด, ดู ว, ว่าในขณะที่เราไม่ใช้ปากเปนเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เราใช้ปากเกิดอะไรขึ้น ปากคิดว่าของสะอาดไหมปากของเราคทุกคนเราสะอาดพอไหมและปากเนี่ยเป็นที่เข้าและที่ อ, ออกของอะไรคือสภาพะกรยิบเข้าละสารพัดก้หนห้อยปูปางสิ่งที่ตามมาคือโรคคะที่ตามมาเสียดแทงคือโรคแล้วก็ภัยพอโรคนี่ตามมาด้วยภัย คือของกลัวแต่ว่าตอนที่เอาเข้าก่อนที่เข้าปากลนะ่ะเราไม่กลัวเราไม่ใช่มาเป็นไผ่เพากินแล้วเป็นไผ่ไผ่คืออะไรโรคโรคคืออะไรความหวานสุดท้ายเป็นอะไรไขมันสุดท้ายเป็นอะไรโรคเกิดจากนี่แหละถ้าเราระมัดระวังตั้งแต่ต้นภาษาเราสม้ไม่า ต้นทางกลางทางปลายทา ง, ทางต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็คือที่มาไม่ไงั้นแล้วก็จะยกอันเนี้ยให้คุณหมอเป็นคนรักษาลูกหมอรักษาตามอาการถ้ามันรั่วกอาไปปะไปชุนไปยาเอาไว้คือให้ยามายาเขาเรียกวบรรเทามันไม่ได้หายนะมันบรรเทามันลดลงเช่นไข้บรรร้อนก็ลดไข้ มันแปลมันไม่มีนะไม่มีหมอคนไหนรักษาแล้วมันไม่มีเลยไม่มีเพียงแต่ลดปริมาณลงเชื่อทั้งหลายอะไรที่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับปวามก็ะยิบใหม่โอ้ผู้เชีของเราเป็นนักวิศาสตร์ทดสอบทดลองแตนที้มาแช่ก็ตัวเราเองบ้างเอามาใช้จริงๆในชีวิตจริงบ้างลองสังเกตตาตัวเองไหมว่ามันเห็นมันมันชอบแล้วเป็นยังไงมันชังแล้วเป็นยังไงนั่นแหละคือ ผลงานของมันนะนั่นคือตาหหก็เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติคือไม่ดูจิตมันก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้สุดท้ายก็โดนสิ่งเหล่านี้ครอบงำครอบงำาคือชี้นาในชีวิตประจำวันของเราอันนี้คือตัวที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไม่มีทาง ชีวิตจะดีขึ้นในแต่ละวันในแต่ละเดือนแต่ละปีถ้าเราแก้อย่างนี้เอาตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าก่อนหน้านั้นเพื่อไม่มีความข้อรหัสินทางการปฏิบัติการใช้ชีวิตของนักบวชนักพรตในสมัยนั้นเขาทํากันอย่างไรผู้อยากทำหมดใ น, นงั้นจะไกลว่าไม่เคยทดสอบทดลองจะรู้ยังไงวันผิดมันถูกไม่เคยกินพริกรู้ยังไงวันเผ็ดผู้ชอบกิน ว่าพริกมันจะได้รู้ว่าพริกมันเผ็ดยังไงมันจะได้คนอื่นใครจะได้พูดไปได้เพรานะนั้นพุทเจ้าก็ใช้วิธีทรมานเหมือนกับฤาษีชีภัยตั้งปวดในสมัยนั้นสารพัดสารเบอย่างทรมานทรกรรมเหมือนอดข้าวอดปลาเหลือแต่หนังหุง้มกระดูกสุดท้ายมันก็ไปเกิดมรรคผลใดๆเลยเพราะนั้นมปนเรื่องของกาย ยังเข้าใจกายก็คือกายจิตก็คือจิตมาคนละส่วนกันคนลเรื่องกายต้อยทรมานต้อยอดข้าวจนตายมันก็ไม่ได้อะไรแต่จิตมันไม่ได้ตายตัวที่ไม่ตายคือจิตอแล้วมันไปไหนต่อมันไม่ตายกายคือดินน้ำไฟลมมันก็ไปตามสภาพของเขาเหมือนตัวเนี้จริงๆศาลาของเราเราคือพบทุกอย่างดิน น้ำไฟลมถ้าไม่มีดินน้ําเราเป็นศารานี้ไม่ได้แต่เราบังคัได้คิดมองเห็นเป็นแสงสว่างมองเห็นเราเป็นพัดลมมองเห็นได้อาคารเป็นตึกมันก็คือดินน้ําไฟลมนั่นแหละแต่อันนี้มันไม่มีวิญญาณรองคือไม่มีจิตแต่คนเรามีจิตคนกับสัตว์มีจิตแล้วคนกับสัตว์ที่มีจิตแล้วมันแตกต่างกันจิตของสัตว์กับจิตของคน่ะมันไม่เหมือนกันสัตว์พัฒนาไม่ได้ ทดสอบทดลองอะไรไม่ได้แต่ละคนนะเรามีความรู้ความรู้คือวิญญาณนั่นแหละไม่ใช่ความรู้อย่างอื่นวิญญาณก็คือตาเห็นรูปรเกิดวิญญาณขึ้นมาแต่ว่าหลังจากเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้ น, นตว น, น, นลำต่างหากเป็นหน้าที่ของเราจะต้องตามไปดูแล้วก็คัดกรองพิจารณานทุกเรื่องอย่างนี้อันนี้คือบูทางแสดงกระฉาด น, นี้ แค่พูดทางสนางกระฉามินี่ภาลานาไปครึ่งชั่วโมงเปสามชั่วโมงยังไม่จบนั้นถ้าเราเอกมาใช้ของคนนี้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นออกภาษาไม่ออกภาษาก็แล้วแต่เอาไปใช้จริงๆคือเอาของดีที่ผู้เจ้าใช้แล้วได้ผลเป็นประโยชน์เอามาใช่กับพวกเราบ้างตัวเองบ้างทุกคนกํากับดูแลควบคุมกายวิาจาใจของตัวเอง ได้เพราะนั้นคนที่ยอดเยี่ยมถ้าใครควบคุมกายมาจาใจตัวเองไม่ได้คนอื่นก็เอาไปคุมไหมไปถกจับโกงคุมค้มขังทรมานทารกรรมก็ให้เขาแก้มกับอย่างนั้นอย่างนี้สิทธิทุกอย่างที่พึงได้พึงมีพึงเป็นมันไม่ได้ไปอ้าสิทธิไม่ได้เพราะตัวเองไปล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่นเขาแล้วเคยไปโทษปัจจัยอย่างอื่นไม่ได้เพราะนั้นผู้เจ้าถึงมาถูกทางที่ผู้เจ้าทดสอบทดลองคือใช้ได้ ทังกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมคือการกระทําทางกายกระทําทางวาจาทางใจก็สามเรื่องแค่นี้แหละที่มันส่งผลให้เราไปสูงไปต่ําเป็นดําเป็นขาวก็เพราะแค่นี้ตอนนี้อยู่ที่เราเลือกมันสุเด็จพยานสัมปวันสุเดชจักราลงที่แล้วตอนนบอกว่าจริงแล้วนี้ที่พูดมาทั้งหมดที่เราฟังมาทั้งหมดเป็นปีเป็นพรรษาเป็นพันๆปีมานนี้ถามว่า เอาไปใช้หรือยังมันเกิดทางเลือกเลือกหรือยังเลือกทางไหนจะไปสูงเลือกเรียนจะไปต่ํามาเลือกเรียนหรือไม่เลือกอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยหรือไม่เห็นความแตกต่างเลยว่าทําไมมันคน่อนขแตกกันกุ้งหอยปูกปลาช่างมาปลูวควายมันต่างกันตรงไหนกับคนกับสัตว์กับมนุษย์เราก็ไม่เห็นความแตกต่างเห็นธรรมเป็นสัตว์เห็นาว่ามเป็นอาหารนั่นเราก็ใจกันเอง ในขณะเทพถ้ามันคิดบ้างว่าเราเป็นอาหารของมันเอเดื อ, รอดร้อนอะทีนี้เสือคิดว่าคนมนุษย์เป็นอาหารครับมันะหาวัานโะหดร้ายเสือดูไล่แต่เวลาเรามองดูเป็นอาหารบอกโอ้เป็นอาหารของเราอันนี้อร่อยอร่อยคิดเราเป็นแค่อาหารถ้ามันคิดว่าทําไมมนุษย์มัดูร้ายจังเลยเออมันก็มีสิทธิธ์คิดแหะควาอันนี้คือความคิด เพราะนั้นคนเราจะไปดีหรือจะไปร้ายมันก็อยู่แค่นี้แหละมันมีไม่ได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครควบคุมกำกับดูแลสิ่งเหล่านี้ได้คือบอกไม่จะเป็นต้องไปขอกับพระสิ่งเพือแค่รักษากายกับวิจาตัวเองมันก็เป็นสินงทันทีแล้วส่วนที่ไปขอกับพระกายเป็นโกกไปมุสาวาทาไปโดยไม่รู้ตัวออกไปสภาพกับไปอีกแล้ว ยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่เอาศาลาไปแล้วจะเอาไปทำแองสิพรปัญญากให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ถึงบอกว่าสินน่ะให้เราเหมือนกับไหว้พระคือไหวเองได้สมาทานเองได้มันจะได้เข้าใจแล้วก็จะเห็นข้อแตกต่างแทบไปไหนก็ไปอขอกับพระพระก็ให้ให้จังพระพระใจดีกม็มีใครพูดสักิดว่าอย่างนี้บางเอลท้า พระไม่ให้สินเนี่ยพวกเราเก็บเป็นคนไม่มีสินนี่เหรอวันนั้นไม่มีสินเลยเข้าวัดก็ไม่มีสินไม่ได้สินมันไม่ใช่พอแค่กายวาจาเราสมบรเรียบร้อยมันเป็นสินทนทีเลยโดยทางปฏิบัตินะพราะนั่งอยากให้เราเน้นในเรื่องปฏิบัติจะไปเอาปริยัติมากไปคือความจําคือสัญญาให้เราเออกภาคปฏิบัตินั่แหละ ทุเรื่องให้เน้นที่ภาคปฏิบัติเอาแค่หัวตัวเองให้รอดหัวคือศีสันคือสมองคือเอาตาให้รอดเอาหูให้รอดเอาจมูกให้รอดเอาปากให้รอดแค่นี้แหละถ้ามันสมบูรณ์ก็เรียกว่าส่วนบนมันสมบูรณ์ก็เรียกว่าคออ ย, าย่าโยนบาถ้าตาไม่ดีหูวไม่ดีปากไม่ดีเสียหมดค น, นอ้างถือว่าคอขาดเนี่ พอขาดแล้วผมนั้นมีประโยชน์อะไรแล้วตากรับเห็นก็แทนจีเป็นเรื่องที่ดือเป็นอิชาตาร้นไปกประทบกทั้งปากกับไม่ตกวิจารเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเป็นเรื่องภายนอกทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดทั้งปวงมันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเราเลยเขาจะดีเขาจะเลวขนาดไหนก็อย่าไปเดือดร้อนคนอื่นเขา มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราให้ดูตัวเองว่าวันนี้มันมีความดีอะไรบ้างที่เพิ่มเติมมันมีอะไรที่มันไม่ดีตัวไหนดีมันจะได้เพิ่มตัวไหนไม่ดีมันจะได้ลดแค่นี้เองในแต่ละวันนะแต่ี้เราไปดูออกคนนั้นคนนี้คนน้นไ ป, ไปวิจารณ์ไม่จบร้อยคนร้อยเรื่องพันคนพันเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตวาง พอพอแล้วทั้งชีวิตตัวใช้ชีวิตอยู่นี่คือพื่งพาคนอื่นดูแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองนะอันนี้คือสําคัญรเรื่องสำคัญมากอยากให้พวกเราหันกลับมาดูตัวเองสํารวจตรวจสาดูความบกพร่องของตัวเองตัวไหนมันบกตัวไหนมันพร่องก็เติมใหามันเต็มแอมมากขึ้นนะก็แค่นี้แหละก็เชื่อเป็นการปฏิบัติทําแล้ว โดไม่ต้ไปห่าเดือดร้อนไม่ต้องไปขอสินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นประสาการที่ผ่านมาของเราทุกคนที่เขออ้าวัดฟังธรรมจำศีนภาวนาก็คิดว่ากคองแท้อะไรได้คือได้ความคิดนั่นแหละเราคิดอะไรได้บ้างก็แล้วแต่สติปัญญาแต่และคนไม่เท่ากันคือระดับสติปัญญาเนี่ยมันไม่เท่ากัน มันต่างกันตอนนี้แต่สติพยายานะัญญาน่าฝึกได้ไหมฝึกได้แต่ถ้าไม่ฝึกอ่ะมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ต่อให้อยู่เป็นร้อยปีมันก็อย่างเหมืนอนต้นไม้สายน้าวภูเขาเขาก็ยืนอยู่ระยะอายุาเท่าอายุคนเกินอายุคนอีกหินแต่ละหินเป็นร้อยเป็นพันปีต้นไม้บางทีอายุเป็นร้อยกว่าปียืนกับคนนะมันก็ผ่านแดดผ่านลมวันร้อนวานหนาวเหมือนกันโเรา จะได้อะไรไหมไม่ได้ชีวิตเราเหมือนกันถ้าสายแค่แดดลมฝนผ่านไปก็นึกเอาตัวเองได้นั่นนี่นู่นก็ไม่ต่างกันนั้นอย่าปล่อยให้วันเวลาที่มันเสียไปหมดไปโดยเปล่าประโยชน์โดยไม่เกิดปรยชนอะไรกับตัวเราเองเลยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยชีวิตเราที่มีอยู่ที่เหลืออยู่มันไม่ได้มากอย่างที่เราคิดเวลาเธอมันเหลืออยู่จะเหลือเท่าไหร่ ยังไม่รู้เลยอันนี้ยิ่งหนักกว่าอีกควรจะขึ้นหนักส่วนเวลาที่มันเสียไปแล้วหมดไปแล้วคืออายุที่เราได้มาสามสิบสี่สิบ้าสิบหกสิบเจ็ดสบแปดสิบปีอันะมันหมดไปแล้วได้ก็ได้ไปแล้วเสียก็เสียไปแล้วส่วนที่จะได้จริงๆเท่าไหร่ไม่รู้อรนนั้นาประมาทจึงเป็นคําสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าถ้าเราฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเน้น ประยคสุดท้ายก็รหรือสุดท้ายคําสุดท้ายที่ฝากพวกเราจริงคือประมาทนี่ยนะคาว่าประมาทคืออะไรคือไม่มีสติตันที่เราฝึกเพื่อเกิดมีสติคือจะได้ไม่ประมาทนั่นเองนี่คือความสําคัญประมวลคําสอนของพระเจ้าย่อลงสั้นๆว่าอย่าประมาทคือมีสติวันที่เราฝึกทุกวันคือฝึกสติให้เรามีสตินั่นเอง ความมุตนาความดีพวกเราทุกคนตลอดทั้งราษาการนี้ที่มีความอุตสาหะเวรยะตั้งจิตตั้งใจความเพียรมากน้อยตามกำลังสถตาตามโอ ก, กาสเวลาจัน ท, ทีแน่นอนที่สุดสิ่งที่เราทำนี้แหละจะเป็นปัจจัยเ อ, อื้อหนุนส่งให้เราถากกลับมาอีกครั้งก็ดีกว่าเก่าแต่ถ้ากลับมาน้อยพบน้อยชัดเป็นเรื่องที่ดีที่สุด พยายามตั้งสัจจะไอถ่านไว้ว่าการเกิดของเราให้มันน้อยที่สุดภบชาติที่ไม่อยู่ให้มันน้อยเพราะเลาดไปเสียเวลาไปกับการเกิดแก่เจ็บตายพวกนี้มันไม่รู้กี่พภพมีชาติมาแล้วตั้งใจคือเจตนาบ้างว่าอยากน้อยที่สุดก็คือการเกิดของพวกเราถึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จริงแต่ว่าเกิดเดือดหายอีกทีตั้งเดียว่าเกา่า เกดพพิดม า, า, าทีเพราะผู้ศาสนาเพราบครัวอาจารย์ผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบพรากัลยาณมิตรถ้าไม่งั้นละมันก็เหมือนกับที่เราได้ยินในฟังข่าวทุกวันพอ่อแม่ลูกครอบครัวแต่แท้อยึดค่ากันค่ากันได้พวกเราคงไม่เจอครอบครัวอย่างนั้นเราก็ไม่อยากให้พวกเราเป็นครอบครัวอย่างนั้นแต่คิดว่าคนวัดคนวา ถ้าเข้าวัดฟังธรรมจำสิ่งภาวนาเนี่ยเราจะไม่เจอเครอบครัวย่างนั้นเด็ดครับก็ขออุโมทนาความดีผู้เราทุกคนที่กระทำมาเป็นมาตลอดประสาการนี้จะมีเครื่องปรารภปัจเจกปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาพวกเราให้มีความสุขความเจริญอยู่แบบโลกก็เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็ให้เจริญแบบธรรมขอเราทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิด